เรียนไปถึงไหนที่ เ, าเอาทำอกาศนี้มันก็สามารถเรียนได้ยาห้างทำในพื้นกันดึยัไม่เหลือในที่จรวดาวเทียมออจะการรับจากการรับนี่นหมยายถงความรู้ของของทางอินเดียความรู้ทงาทงโลกวันวันนี่มันเป็นไง จะสูงขนาดไหนก็ไม่มีการที่จะลดหรือบรรเทาความทุกความลำบากของโลกโลงได้เพราะความรู้นี้เป็นความรู้ของโลกไม่ใช่ความรู้ที่เกี่ยวกับทรรมธรมีให้ความร่มเย็นถ่ายเดียวโลกทั้งมีทงม้ทำเลยก็ให้ความร้อนร้อนโดยถ่ายเดียว แม้เจ้าตัวจะลูกขนาดไหนก็ไม่สามารถจะระงับดับทุกข์ที่มีอยู่ภายในตัวภายในใจได้เพราะนั้นมั่นคือวิชาดับทุกข์วิชาดับทุกข์คือวิชาธรรมวิชาธรรมนี้ไม่ว่าพระพุทธเจ้าองค์ใดมาสอนเป็นวิชาดับทุกข์ด้วยกันทั้งนั้นผู้ใดเรียนผู้ใดปฏิบัติเพื่อทำจริงๆจะเห็นผล ปรากดขึ้นกับตนของผู้ปฏิบัติโดยไม่ต้องสงสับเพระเาะฉะนั้นคําว่าโลกกับธรรมนี้ก็อยู่ด้วยกันจริงไม่เหมือนกันเหมือนกันทุกผู้หญิงผู้ชายที่อยู่ร่วมกันกี่คนสับสนกันอยู่ในสถานที่ใดสามารถรู้ได้หมดว่าไม่เหมือนกันเพียงดูทางคนรู้นั้นเป็นหญิงเป็นชายเรื่องของโลกของธรรมก็เหมือนกัน ตับปนกันอยู่ก็รู้ลักษณะนี้เป็นลักษณะของธรรมลักษณะนั้นเป็นลักษณะของโลกสามารถรู้ได้อย่างชัดเจนสาหรั บ, บผู้เรียนทำบ้านทำมากแต่ผู้ไม่ได้เรียนนั้นไม่ไม่รู้ได้ไม่อารู้ได้เลยไ ม, ไม่เคยเรียนจะจะรู้ได้อย่างไรรู้จงแต่ตโลกล้วนเลยเมื่อโลกนั้นเป็นความดิเจวีโสเยือกธรรม คนให้มีคุณค่าราคามีพรทพาบรรดาจากสูงมีอำนาจวาสนาศเลยสำเร็จด้วยเรื่องของโลกสมบหมดเสียว่าเป็นผู้พิเศษทั้งที่หัวใจนั้นหาความพิเศษไม่ได้เลยเต็มไปด้วยความรุ่มร้อนใครจะเสร็จสันพันยอให้สูงขนาดไหนก็ตายถ้าไม่ใช่ลุ่นธรรมแล้วจะหาความสุขจะเป็นไปตามความเสดสรันยนนั้นไม่ได้เลยคิดว่าโลกนี้หาความ จะมีความสุขเพราะการศึกษาเราเือยนมากๆโดยทางโลกฝ่ายเดียวทำนีมม้มีในสถานที่ใดการใดสมัยใดกับบุคคลหรือสังคมใดๆสามารถความสุขแจ่คุนนั้นสังคมนั้นเป็นลำดับลำดากว้างแค่ของการมีธรรมะเข้าไปถึงธรรมะเป็นสิ่งสำคัญมากในโลกนี้ ควรจะมีธรรมะเกี่ยวข้อ ง, องทุกตำแหน่งแห่งโรงงานข้องานทุกชิ้นทุกอันหวังให้เป็นประโยชน์แก่ผู้ทําด้วยการทํางา น, นงานส่วนตนก็หวังประโยชน์ส่วนตนงานครอบครัวก็หวังประโยชน์ครอบครัวงานส่วนรวมงานประเทศชาติก็หวังประโยชน์แกส่วนรวมและประเทศชาติถ้าไม่มีแต่ถ้าไม่มีทำเครือแสงเข้าอยู่นั่นแล้วงานนั้นนั่นก็ กายเป็นห้งความเดือดร้อนไปเสียแทงที่จะเป็นความสุขโลกหาความสุขไม่ได้เพราะไม่มีธรรมเขาเคลือบแฝงมียมยนต์เข้ามาถึงตัวของเราขณะได้จิตของเราคิดไปในนอกคิดออกนอกรูนอกทางไปเกี่ยวกับโลกสทมสารซึ่งเป็นกระแสแห่งความรุ่มร้อนความรุ่มร้อนนั้นจะต้อง ตะท้อนย้อนกลับเข้ามาสู่ใจเผาลงจิตใจให้เกิดความเดือดร้อนมากน้อยตามความสมบูรของจิตคิดในแง่ต่างๆนหนักเบาเพียงไหนั่นแหละเป็นเครื่องวัดความทุกข์ความลำบากอยู่ในตัวของมันเองวันใดจิตมีความสงบเยือกเย็นไม่วันนั้นต้องไม่เกี่ยวข้องบุ่นวายสายแสบกับโลกองสารซึ่งเป็นเรื่องของความทุกข์ ค ว, วามนั่งจิสบายเย็นจิตมีความสัมผัสสัมพันธเท่ากับสมถะธรรมเพียงขั้นต้นนี้โดยลําดับเท่านั้นก็จะเห็นความสงบร่มเย็นภายใน ใ, นใจของตนสมถะแปลว่าความสงบทําไมจึงให้ชื่อว่าความสงบเพราะความพุ่งสร้างความวุ่นวายมันเต็มที่หัวใจเมื่อใจได้รับธรรมโอสถเข้าเยียวยารักษาโดยการปฏิบัติของตัวเอง แต่ละลายละลายแล้วย่อมปรากฏผลขึ้นมาเป็นความสงบแล้วก็เป็นความสุขขึ้นทีใหญ่มันไม่เดือดร้อนอารมณ์แห่งธรรมกับอารมณ์ของโลกผิดกันความคิดในแง่โลกกับความคิดในแน่ธรรมนั้น ม, มีผิดกันอยู่มากความคิดในแน่โลกเป็นเรื่องสั่งสมความทุกข์ความเดือดร้อนขึ้นมาแต่ความคิดในแน่ธรรมเป็นสิ่งที่กาจัดความ ขี่เละปัญหาอัตระและความทุกข์ยิ่งเป็นผลในหอ อ, ออกไปจากใจิตใจโดยลำดับเพราะฉะนั้นผู้ที่มีความเชื่อในบุญในกรรมในหลักรธรรมของพระพุทธเจ้าเฉพาะอย่างยิ่งคือผู้ปฏิบัติเราจรึงควรสนใจในจุดนี้ให้มากยิ่งกว่าจุดอื่นใดซึ่งเป็นจุดที่ถูกต้องดีแล้วไม่สงสัยคือการสังเกตสอดรู้จิตใจของตนที่ดีบเด่นอยู่ตลอดเวลา ตามกระแสแห่งกิเลสตัณหาอสะวรที่มันผลักดันออกไปให้คิดคิดออกไปเท่าไรก็คว้ามาทุกข้าหนาซึ่งเป็นตัวผลแยกกันไม่ได้คิดให้คิดในแง่ถังต้องฝืนกันอยู่เสมอในเอะบททั้งสี่ในความคิดทุกแง่ทุกมุมเป็นการต่อสู้โดยการฝืนโดยการกำจัดนี่จึงเรียกว่าความผิดนับ ก, ก็ตามบากก็ตามงานของเราเป็นอย่างนี้ทําไมจึงเรียกว่างานของเราเป็นอย่างนี้ ก็คืองานแแจศิเลตพระพุทธเจ้าทรงสอนอย่างนี้ทรงทำมาอั่งนี้แล้วพระสาวกทั้งหลายก็ได้ยินได้ฟังมาอย่างนี้และปฏิบัติองค์ของท่านอย่างนั้นมาแล้วต้องได้รับความทุกข์ความลำบากด้วยกันทั้งนั้นเนี่ยขึ้นชื่อว่าได้ทําการสู้รบหรือขึ้นเวทีต่อสู้กันแล้วท่องได้รับความทุกการศิเลสจะบรรลัยลงไป เขาก็ต้อรับความทุกข์มากเหมือนกันเช่นเดียวกับนักมวยที่ขึ้นต่อกันบนเลทีแม้จะได้ชัยชนะก็ตามเราอยากเข้าใจว่าผู้ได้ชัยชนะนั้นไม่ไดรับความเจ็บปวดแสบร้อนจากผู้ต่อสู้ที่ต่อยกันมีเหมือนกันมีอยู่ประจาแต่นั้นชนะลงไปแล้วมันก็เป็นเรื่องของโลกในเราเป็นเพียงข้อเทียบเทีย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 มีพระพุทธเจ้าเป็นพระ อ, องค์เนี่ยทรงได้ผ่านมาแล้วถึงขั้นสลบสลายจะไม่ทุกข์ได้อย่างไรสาวกทั้งหลายก็เป็นเช่นเดียวกันนี่เป็นที่ยอมรับมาตั้งแต่นู้นแล้วแล้วเราจะแบบแนวไปที่ไหนที่ปฏิบัติธรรมจะไม่ได้รับความอําบากระมุนอะไรเลยแกแล้วแล้วก็โงยผลขึ้นมาเป็นคู่แข่งของพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายเป็นไปไม่ได้ต้องได้รับความทุกข์เดินตามรอยทึ้นไป ตามเสด็จท่านท่านทุกข์เราต้องยอมรับทุกข์ท่านฝืนกับทุกข์เราก็ต้องเป็นนักฝืนกับทุกข์ท่านเป็นนักต่อสู้เราก็ต้องเป็นนักต่อสู้อย่างนี้จึงคือว่าเดินตามขูลูกจิตมีครูสอนเราอย่านําสิ่งใดที่อารมณ์ใดความคิดตุงใดที่เคยเป็นเรื่องของกิเลสมาหลอกหลอนกษษษษษษับชิบกระซักเราให้เชื่อตามนั้น อยาไม่เชื่อสิ่งนั้นต้องต่อสู้อยู่เสมอธรรมะเป็นเครื่องเรื่อรู้เรื่องกิเลสเป็นเครื่องต่อสู้กิเลสธรรมะสติก็เป็นธรรมสติเป็นเครื่องเรื่อรู้ตัวรักษาตัวอยู่ภายในใจกิเลสจึงแสดงขึ้นที่ใจเพราะสิ่งใดเพราะรูปเพราะเสียงกี่น้ตเป็นต้น ต้องสัมผัสที่ใจรับรู้ที่ใ จ, จแสดงออกในแง่ต่างๆที่ใจสติอยู่กับใจย่อมจะสามารถรับทราบได้ทุกระยะที่สิ่งนั้นมาสัมผัสและต่อสู้ต้านทานกันได้โดยลำดับเพราะเราตั้งหน้าลกด้วยความมุ่งมั่นแล้วนีคือสติเป็นสำคัญเรียกว่าธรรมะเหมือนกันหมดใช่ไมมาระวังรักษาตัวอยู่เชม น, น อย่างอยู่ด้วยความว่างเาล่าเฉยๆโดยไม่มีสติเ ต, ต, ต, ต, ต, ต็นเพื่อนพุ้มครองตนเลยดังนั้นจะว่าเป็นความสบายก็คือความที่นอนตายคอยพิเรมาเขาตกนั่นแหละไม่ใช่เรืมดีเรื่องดีต้องเป็นเรื่องที่ต่อสูอยู่สมองานของเราเป็นอย่างนี้ความจำเป็นของเราอย่างนี้เป็นอย่างนี้หน้าที่ของเราเป็นอย่างนี้เพราะ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 ส่วนรถแห่งธรรมนี้เป็นสิ่งที่เป็นธรรมชาติที่ตายใจได้โดยลํำดับลำดับไปนี่เรามาหวังพึ่งธรรมการอยู่เป็นอยู่ปูวายของเราปัจจัยทานทั้งสี่คือกีวรบินทบาาเสนาชนะทิรานเถสตัเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยศรัทธาของประชาชนทั้งหลายถึงก็ขึ้นเขาพร้อมอยู่แล้วที่อย่างสบูชาพระผู้ปฏิบัติมีปฏิบัติชขา เขาอุ่นหนุนค้ำทูนอยูแล้วไมไ่เป็นข้อวิตกวิจารณ์กังวลรายใหพราอที่จะให้เสียเ ว, เวลาในการประกอบความภาคเพียรนีห น, น้าที่อันเดียวที่จะประกอบความภาคเพียรด้วยวิธีการต่างๆที่จะให้กิเลสดุจลอยลงไปด้วยอุบายวิธีการแห่งความฉลาดแหลมมของตนแต่ละหลายหลายที่จะนํามาใช้ <c oughs> นี้เท่านี้งานของพวกเรางานอื่นไม่สําคัญทสาหรับสมณะ ผู้ปฏิบัติตามร่องรอยของพระพุทธเจา้าเราอยากเข้าใจว่างานอื่นใด จ, จะเป็นของวิเศษวิสโสเลิศเลยเพราะที่จะหลงทิศหลงแดนตื่นเต้นหลงโลกหลงฐามไปตามเขาใครจะสร้างอะไรขึ้นเป็นความเจริญขนาดไหนก็เป็นเรื่องของโลกมันกลายเป็นโลกแต่หมดแล้วขอให้สร้างใจขึ้นเป็นความเจริญอันสําคัญเถิดจะเป็นที่พอใจสำหรับตวัวเอง อยู่กระตับฝนตกบ้างรัวบ้างขยับที่นู่นขยับที่นี่มันก็สบายหายกังวลไปก็ไม่เป็นห่วงเป็นใหน่เราไม่ต้องการชื่อเสียงเกียรติยศเกียรติคุณด้วยสิ่งที่โลกขอนิยมกันนั่นเป็นเรื่องของโลกนิยมขนาดไหนก็สักแต่ว่าความนิยมเป็นจฉยไม่เห็นเป็นความจริงที่จะให้ตายใจได้เลย แต่ธรรมนิยมคือผู้ปฏิบัติตามหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้นี้จะเป็นที่อบอุ่นภนายนจิตใจของตนทั้งๆที่อยู่กระตอ่อแทรกเล็กไม่น้อ ย, อยโดยที่ได้ประกอบความภาคเพียงเป็นเม็ดเป็นหน่วยตามในเร่งเวลาไม่คาดเถือนสติเป็นของสำคัญในการรับรู้ระหว่างีิเรศกับธรรม ที่จะทําลายกันส่วนมากวิริยะทาลายทํามน้ำมัตรระวังให้ดีมีแลหน้าที่ของเรางานของเราแท้ๆงา น, นที่เคยได้แสดงให้ ท, ำทำา่านทั้งหลายฟังแล้วด้วยความถึงใจจริงๆด้วยความทราบเชิงในหลักธรรมเหล่านี้นจริงๆพราเท่าที่ปฏิบัติมาก็ได้เห็นปุนข้า่างทำเหล่านี้นเพราะได้ทําตามธรรมเหล่านี้นแล้วอันที่ท่านสอนมาลุกขมูลเส้นนาสนะ นั่นคือที่อยู่ที่ปฤติปฏิบัติบำเพ็ญของผู้ทั้งหลุดพ้นจากทุกข์โดยประการทั้งปวงด้วยงานคือเจี๊ยสละมานะะาขาติตาตัดโจเป็นต้นนะลงมาในอาการสามที่สองพระจากรรยกากรรมฐานแปลว่าก ร, ก, รรกรรมฐานมีหนังเป็นที่ห้าเมื่อจะแปลออกตามสักนี้คือประจากรัยจกากรรมฐานหมายถึงเอาหนังครอบหมดเลย พหนังเป็นประโยชน์สำคัญเป็นสิ่งสาคัญมากที่ปิดหูปิดตาปิดความรู้สึกในความคิดทั้งหลายของจิตใจพวกเราไว้ได้อย่างมิดชิดมากทีเดียวแม้จะบางๆก็เถอะปิดได้อย่างสนิเพราะฉะนั้นเมื่อไปสอนไปถึงตัตโตแล้วจึงย้อนกลับมาพิจารณาตั้งแต่ผมฝนเริม่มปั่นสรุปแล้วลงถึงหนังให้เห็นหนังทัดอย่างทัดจริงทะลกออกมา ในเนื้อในกายของเราเพลิกข้างในออกมาข้างนอกจะเป็นยังไงข้างนอกได้เห็นแล้วมันหลอกเราสะพอข้างนอกรู้ตรงไหนมีจะเลือกหลอกทั้งนั้นผิวข้างนอกเป็นผิวที่หลอกบุรุษตาฝันผิวข้างในเป็นสิ่งที่จะให้เกิดรีศายานความสามารถอย่างทราบในอาการทั้งหลายซึ่งมีอยู่ในร่างกายนี้ว่าเป็นเหมือนกันกับหนังข้างในนี่แหนะผ่านสื่อสอนย้อนมน้าย้อนหลัง อนุโลมปฏิโลมก็เหมือนเขาครากนานั่นเองคราบกลับไปกลับมาจนมูลครากมูลไถแหลกละเอียดควรแก่การปักําแล้วก็อยุดการพิจารณาข้อเช่นเดียวกันเราอย่าเอาเวล่ำเวลาอย่าเอาปริมาการนับการอ่านว่าได้พิจารณาเท่านั้นเท่านี้เข้ามาเป็นผลเป็นประโย์ เป็นมรรคผลนิพพานแต่ให้เอาความสำนิกทานานแห่งการพิจารณาักศซ้ำ ๆ, ๆหลายครั้งหลายๆหนจนเป็นที่เข้าใจอย่างทราบซึง้งถึงใจจริงๆแล้วปล่อยวางในสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ไม่ยึดมั่นถือมั่นพราะเห็นตามเป็นจริงด้วยปัญญาอันชอบธรรมแล้วนั่นปล่อยหรือไม่ปล่อยก็ตามเป็นไปเองโดยหลักธรรมชาติพดังทำทั้งกล่าวไว้ว่าสันทิฏฐิโกมีหลา ง, งานของพระ พากันเข้าใจฝังลึกๆอย่าพากันตื่นเต้นอย่าพากันหลงโลกหลงสงสารออกนอกคูก่นอกทางไปตามโลกตามสารหรือการก่อ น, นั้นสร้างนี้ยุ่งไปหมดอืสร้างวัดที่ไหนสร้างกุฏิศาลาลงธรรมสร้างที่อันสิงนั้นสร้างถึงนี้อยู่ไม่ได้อยู่ไม่เป็นสุขมันเลยเป็นเรื่องของโลกไปหมดหาความสงบร่มเ ย, ย็นภายในจิตใจไม่ได้ท่องงานนั้นไม่ใช่งานสงบ งานเพื่อความวุ่นวายทั้งภายในคือภายในวดัดภายในตัว่านเองและประชาชนผู้ให้การอุดหนุนเลยกลายเป็นเรื่องกวนบ้านควนเมืองเข้าไปจตขุนเป็นตมเป็นโคนระหว่างคารวชากับปุญยักษตรตังโลกาสะที่ว่าประสงค์เป็นเมื่อนาบุญของโลกนั้นก็กลายเป็นปะปรักกันไปกลายเป็นผีไม่ใช่เมื่อนาบุญคอยกับตับกัดปอดเข้าไปแหลบไปหมด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 ทำงานก็อในวงที่พูดนี้ท่านกาวไว้ถึงสี่สิบห้องกรรมาฐานจะเป็นห้องใดอันใดก็ตามก็คืองานในสัาคัญที่เหมาะสมกับจดุลของเราแล้วนำมาพิสอทธิมัตมิตนำมาบำเพ็ญในเจส า, า, ามารณ์นาคาลิาติโสอันใดที่เหมาะสมหรือเลยจากนั้นไปถึงอาการส า, า, าผมยุทธ่สองโดจะผลผลและฟันนักหลังเนื้อเองกระดูกเลื่อยเข้าไปจนถ้า เราปอดใหญ่แต่น้อยทมาั้งเก่าพิจารณากันลงให้ทั่วถึงให้เห็นชัดเจนตามความจริงซึ่งมันมีอยู่แท้ๆภายในร่างกายของเราทุกคนไม่มีอะไรบกพร่องทําไมจึงไม่เห็นทําไมจึงไม่รู้พระพุธทธเจ้าทําไมรู้สาวกขั้งหายท่านทําไมรู้ตาท่านเหมือนกันกับตาเราสติของท่านใจของท่านเหมือนกับใจเราเป็นเพราะอะไรท่านถึงรู้เพราะท่านใช้สติใช้ปัญญา ในทางที่ถูกที่ชอบเข้ามาพิจารณาตามความจริงของสิ่งเหล่านี้ก็กลายเป็ปัญญาชอบเป็นสติชอบขึ้นมาถออนสิ่งที่เป็นภัยออกได้เพื่อความหลงมหมายของตนเองกลายเป็นความฉลาดแหลมคมขึ้นมารู้เท่าทันนี่งานนี้เป็นงานหรือถอนที่เหลือ่าช้าที่สมควรเป็นงานของพระโดยแท้พากันหนักแน่นในงานอย่าเห็นงานอื่นใด ว่าเป็นสิ่งสําคัญยิ่งกว่างานนี้ไม่ใช่หลักของสมณธรรมมันเป็นงานที่พระพุทธเจ้าประทานหั้น <c oughs> <c oughs> นั่นก็พออยู่พอเป็นต่อไปไปที่ไหนพอเป็นพอไปแล้วอย่ารุ่งเยอะมุ่นวายก็ควรตัวเองต่อกล่าวให้เกิดประโยชน์ให้ปุดค้นลงที่นี่ต่ทุกอย่างลําบากเท่าไรให้ถือวันนั้นแหละเรียกว่าเข้าสู่สงฆ์แล้ววันนี้ลําบาก ต่อสู้กับพิเรนนาอสวรรคจิตไม่ยอมสงบได้เป็นก็เหตุใดตั้งหน้าตั้งตาฝุดคู้เกี่ยผุดคน้นถึงสาเหตุทิพย์พาให้พุ่งต้านลำค า, าเป็นก็เหตุใดที่ต้องพุ่งต้าพุ่งต้านแต่กับอารมณ์อันใดนําอารมณ์นั้นมาพิจารณาแยกแยะดูให้เห็นตามเห็นความจริงของมันอย่างาชัดเจนแล้วก็ไม่ค้นที่จะย้อนเข้ามาดูกระแสของจิตที่หลงโงมลายในสิ่ ง, งนั้นว่านั้นเป็นนั่นนี้เป็นนี้แล้วผูกมัดตนเองด้วยความมึนงงด้วยความสําคัญ มีการพิจารณาอย่างน้อยให้จิตใจสงบให้ได้ บ, บังคับด้วยสติปัญญาต้องสงบจิตใจไม่นอกเหนือสติปัญญาไปได้แม้แต่กิเลสทุก ป, ประเภทไม่เห็นนอกหนือสติปัญญาไปได้เลยทําไมจิตจะนอกเหนือสติปัญญาได้ไปได้ล่ะทำนี้เป็นสิ่งที่เหนือนอยู่แล้วเป็นเครื่อง ฝึกฝนทรมานเป็นเครื่องดับสันดานนี่เป็นเครื่องประหรัตปรหารที่เล็กทุกประเภทได้โดยทั้งหมยไม่ต้องสงสัยอยู่แล้วทําไมเรานํามาใชา้เป็นล้มลุกคุกคลังนี่จะที่เล็กฟันเอาฟันเอามันเป็นเพราะเหตุใดเป็นเพราะเราเองต้องพฟิตตัวของเราขึ้นให้ทันกับเหตุการณ์แล้วอยู่เฉยๆทัติปัญญามีให้ใช้หาอุบายทิดค้นต่างๆเดี๋ยวก็สะดุดขึ้นมา เป็นความรู้สึกชนิดหนึ่งแล้วจะดุดขึ้นมาเป็นความรู้สึกชนิดหนึ่งซึ่งเป็นความรู้สึกอันชอบธรรมเป็นเรื่องสิทธิ์ใจดูเรื่องของกิเลสและธรรมทั้งหลายโดยลําดับลาดับไปเพราะาทางคิกอ่านตรร อ, องในแง่ธรรมต่างๆจะเป็นส่วนสนาวภาวกาเราตัวเฉพาะพอหรือจะเป็นภายนอกเวลาสัมผัสสัมพันธ์กับสิ่งใดนํามาพิจารณาแยะให้เป็นลำดับธรรมเป็นมรรคได้ทั้งภายในภายนอกสังขารอันเดียวนี้แหละแยกเป็นมรรค คือทางดําเนินก็ได้สังขารอันเดียวนี้แหละแยกมาเป็นสะมูดไทยก็ได้ปกติสังขารนี้เป็นเครื่องมือของพิเศษเป็นตัวสะมูดไทยได้เป็นอย่างดีอยู่ตลอดมาไม่ต้องสงสัยแต่ที่จะให้เป็นเครื่องมือของนักเพื่อดําเนินให้บุจค้นนี่ต้องได้ฝึกฝนอบรมนํนาสังขารนั้นมาใช้ในทางก็เป็นเครื่องมือของทำขึ้นมา <c oughs> <c oughs> ผิดไม่สงบเลยหาความสุขได้ที่ไหนพระเราโยก็อยู่ในกองนรกนั่นเองนรกสุ่มอยู่ภายในใจคือไฟกิเลสราคตินาโทสัตตินามหคินามีแหละคือกองไฟมันเผาขลังด้วยความในจิตนี้ตลอดเวลาเราหาความสุขได้ที่ไหนโลกนี้มีความหมายที่ไหนแม้ที่คือร่างกายชีวิตจิตใจของเราก็หาความหมายไม่ได้ถ้าลงกิเลสนี้มันได้เผาจิตจิตลอดเวลาอยแล้ว มันทับแทบติดกันไปหมดเล้จะทํางานถึงจะให้ทั้งขาแร่างกายชี่ตจิตใจมีคุณค่ามีความหมายขึ้นมาก็ต้องอาศัยธรรมซึ่งมีความหมายอยู่แล้วนั้นมาปราบการรมแก้ไขสิ่งที่ไม่มีคุณค่าถือกิเลสพันเป็นตัวสําคัญทําให้เราหมดคุณค่าไปนั้นได้ท่านกระลายตัวลงไปความสงบเกิดขึ้นมาเองความสงบเป็นทั้งขาัาให้ท่านเริ่มเลย จิตไม่สงบเลยหาความสบายไม่ได้อยู่ท่าการแห่งกองเตีงกองไฟราพักษิมาเัศสิมาเมหกสินาไม่มีอะไรเป็นอัิประเกิดอัศจรรย์มีแต่ผ้าเหลืองพอบตัวอยู่เท่นนเนนานไหนถึงไม่อหนอะไรอยูนร า, านเพื่อป็นอดอยากหรือผ่าเหลืองเราไม่ต้องการผ้าเหลืองแต่เป็นเครื่องหมายให้ทราบว่า น, นี้ คเครื่องหมายของเพศนี้ทําหน้าที่นี้ทําหน้าที่นันมีเครื่องหมายของพระพระทะําหน้า ท, ท, ท, ที่อะไรทําหน้าที่ถอดถอนีิเดศไม่ใช่ทําหน้าที่ส่งเสริมีิเดศไม่ใช่หน้าหน้าที่ที่จะนอนอยู่ในกองฟืนกองไฟคือราคัตินาตูปัตตินามวกินานอนอยู่กับความให้อยู่กับความสงบเยน็นอยู่แล้วอยู่แล้วความสงบพิจนารณา แยกแยะดุผากดุขันอนานิจังทุกขังอาตาหรืออสุภะอสุพังปฏิกูลโสโครกซึ่งมีเต็มอยู่แล้วภายในร่างกายของเรานี้ทุกสัตว์ทุกส่วนไม่บกพร่องเลความปฏิกูลนังนี้ถ้าพูดถึงอนานิจังทุกขังอาชาก็เต็มอยู่เหมือนกันอยู่ในวัตถุอันเดียวกันนี่แหละสติปัญญาค้นคว้าลงที่นี่ให้เป็นที่เข้าใจก <c oughs> ารอยู่กับคัวบาอาจารย์ไม่เป็นของแน่นอน เดี๋ยวก็โยกย้ายผันแปรกันไปเพราะอยู่ในท่ามกลางของโลกมีจังในขณะที่จะมาพักมาสายมีผู้อบรมก็ตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัติกำจัดสิ่งที่เป็นภัยแก่ตนออกด้วยความเพียรครับข้องตรงไหนให้ถามครูวายจ้าเราพร้อมเสมอที่จะแก้ไขวิชิเจัยให้ได้ในด้านวิจัดภาวนา ไม่ใ่แต่เมื่อเวลามาสอนแล้วก็ไม่สนใจกับใข่เราไม่เป็นอย่างนั้นเราคอยฟังเสมอเรื่องผลของการึกปฏิบัติของหนูควมในการควรที่จะศึกษาเรายิ่งดีที่จะศึกษารับฟังศึกษาเสมอมันเห็นขึ้นมาให้รู้ขึ้นมาจิตใจถ้ารู้ถ้าเห็นถ้าสิ่งประจานต่างๆมันหักมีแม่ข้อข้อใจขึ้นมาเนได้แหละยิ่งขั้นปัรดาด้วยแล้วก็ยิ่งนั่นแหละคือบอ่อแห่ง ปัญหาทั้งหมดมันขึ้นมาบางอย่างเราก็แก้ได้เองบางอย่างแก้ไม่ได้ต้องอาศัยทูวาจาั์ช่วยแก่โ ด, ดยลำดับลำดาเพราะฉะนั้นท่านจึงให้น้ำว่าสาวกแปล ว, ว่าสาวกาคือผู้ฝังต้องฝังถึงจะเข้าใจวิธีปฏิบัติปฏิบัติพยายามูก็คือพระพุทธเจ้าทรงรู้เองเห็นเอ ง, เอง สาวกต้องเป็นผ enfin. right ู้ใดอยู่ในฟังเราก่อนแนะนำของสาวกคือผู้สดับกลับฟังเหมือนกันกับท่านฟังแล้วให้ฝังลงจิตใจอย่างแท้จริงอย่าฟังสักแต่ว่าฟังเหมือนเทหน้ําเทหลังหมาเททศรายสลับทิ้งหมดไม่มีอะไรติดบนหลังมันเลยศาสตร์ธรรมะเข้าไปเทศรายก็สลับทิ้งหมดอำนาจของกิเลสมันสลับทิ้งไม่เข้าถึงจิตถึงใจ เนงูงูปาปลาลุ่มลุ่มดอนดอนไปในขณะที่ฟังปังไปแล้วก็ยิ่ง่ ง, ง, ง่าม่วมเกลียวหาหลักหาเซึมหาเหต้ยมหาผลที่จะเครื่องตนไม่ได้ด้วยสติปัญญาของตนเลยอันนี้ใช่ไม่ได้ไม่ใช่หลักของผู้ปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้นจากทุกตัวประการทั้งปูงที่จะมาทําตนเป็นอย่างนั้นเซื่งเกรียบเหมือนหมูจะคอยขึ้นเสียงอยู่ตลอดเวลาไม่ใช่ท่า เราเป็นห่วงมากสําหรับหมุ่เพื่อนตึงต่องเลยให้การอบรมอยู่เสมอ แ, แล้วไม่เห็นสิ่งใดมีคุณค่าภายในวัดนี้นอกจากพระที่อยู่กับเราเท่านั้นจะได้ทําประโยชน์แก่ตนให้สมบูรณ์และทประโยชน์แก่โลกแทนดับต่อไปซึ่งเป็นสิ่งที่แยกกันไม่ออกแต่ขณะแรกนี้ให้ทําความพสนใจอบรม ส, สัสอนตนให้เขาเข้าใจเนี่ยในทำจนเป็นผู้มีหลักฐานเป็นที่แน่ใจแนละ้ว เรื่องประโยชน์เพื่อผู้อื่นนั้นจะตามมาดางัพงพระพุทธเจ้าเวลาทรงบำเพ็ญก็ไม่ทรงสนททัยกับผู้ใดทั้งนั้นทรงบำเพ็ญอย่างเต็มตเมดเต็มหนวดจนทั้งเด็กรักรรู้ธรรมถึงแดนพ้นทุกข์โดยสมบูร์แล้วทีนี้ก็ทรงทำหน้าที่่งความเป็นตากดาตริก็จักทำสอนโลกเบวยพระเมตตาลิ้มล้วนด้วยมา จนกระทั่งปฏิทานแล้วนังประทานพระโอวาทไว้จนกรทั่งแบบนี้นั่นประโยชน์ตนก็ประโยชน์ผู้อื่นเป็นสิ่งที่เกี่ยวเนื่องกันหลายกทั้งหลายก็เหมือนกันมันทําหน้าที่อย่างนั้นตามอำนาจวาสนาของท่านผู้ใดจะมีความกวางฝังมากน้อยเป็นไปตามจริตนิสัยวาสนาของตนของตนแต่และองค์ละองค์การที่ไปสองสอนคนอื่นทั้งๆ ท, ที่ตนก็ไม่เขา้เขาข้ใจรู้เรื่องราวอะไรจะเจ้าอะไรจะสอน เขาพอให้เกิดความตัดความจริงเป็นที่แน่ใจได้ไม่มีถ้าเราไม่ได้ความจริงจากจิตใจของล่าจากการปฏิบัติของเราก่อนแล้วจะเอาความจริงไปสอนคนอื่นอย่างถึงจาจนี้มันเป็นปริมญญ า, าก็ต้องสอนแบบรูปคําฟังเมื่อการสอนแบบรูปคำคำผู้ฟังจะเอาความจริงมาจากไหนก็ต้องฟังแบบรูปคำคำเหมือนกันผลสุดท้ายก็เหลือทั้งสองฝ่ายไม่มเกิดประโยอะไรเลยมันมีแต่ชื่อของธรรมะมีแต่ชื่อของ่อเสล็จ เต็มอยู่ในหูเต็มอยู่ในใจความกินของธรรมไม่ต่ากับภายในใจจะ อ, อะไรมาเป็นคุณเป็นประโยชน์ทั้งผู้เทศผู้สอนทั้งผู้มาสรดับจัดตังไม่เกิดประโยชน์ทั้งนั้นแหละเพียงแค่ค า, าดดาวดาวกันไปนความรับถือศาสนาด้วยการคาดการดาวการํานลยจึงเป็นสิ่งที่ทําให้ลห้มง่ายเอียงได้อย่างง่ายดายเพชรกับผู้ที่เข้า อ, อกเข้าใจทางด้านปฏิบัติ ตนเป็นความจริงใจอย่างเต็งนั่นไม่ไหวไม่ไหวสอนก็สอนตามเหตุตามผลตามความปับความจริงอย่างอ่อาปัญหาหันเพราะสอนออกมาจากสิ่งที่ตน ร, รู้แล้วเห็นแน่ทุกอย่างจะ่โซโซกซานหวังไหมที่ไหนจะรู้ ค, คาคําได้อย่างไรเมื่อของจริงมีอยู่กับตัวพระจักกับใจแล้วต้องแสดงของจริงออกมาอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่อยาตามขั้นภูมิที่ตนไม่รู้และเห็นบูฟังก็ฟังอย่างถึงใจตามครับ กำลังความสามารถของตนเท่าน้นเดียวกันนั่นแหละทั้งพุทธการท่านสอนกันท่านสอนอย่างนั้นเพราะฉะนั้นทำที่เข้าถึงจิตใจคนทางทาภาคปฏิบัติจึงผิด ก, กับทำที่มีตั้งแต่ความจํามีแต่ชื่อของกิเลสบาปทำเป็นหัวใจแต่ไม่เห็นหัวใจดวงนั้นได้ลดละกิเลสพอให้ลดน้อยลงไปเลย่งนักเกิดประโยชน์เอาให้เห็นความจริง ความจํากับความจริงนั้นผิดกันคนละโลกเห็นเราจำที่เดชตัญหาอสระเท่านั้นท่านี้จำํำแรกสามมักผลุพานนี่เป็นความจำํำเวลาปฏิบัติจนตาปวดความจินแล้วนั้นผิดกันอยู่มากความจำไม่ยังที่เดดให้หลุดรอยไปเลยแต่ความจริงนี้จริงรู้จริงเห็นจินเข้าถึงไหนที่เดชหลุดรอยไปถึงนั้นรู้จินโดยรอบครอบขอบทิศที่เดชหมดไปโดยสิ้นเชิงไม่มีเหลือ น, นี่หละความจริงเห็นด้วยตนรู้ด้วยตนเชื่อว่าความจริงไม่เป็นความเดาความคาดนี้เอาให้จริงจังธรรมะพุทธเจ้าเป็นสิ่งที่ทําให้ประจักกับภายในจิตใจของผู้ปฏิบัติได้ด้วยกันอย่าลดลนะความทาา้าทายตัณาตาณตาราพิจารณาปฏิบัติตทุกทนเอาให้ทุกด้วยกันทั้งนั้นแหละทําไมจะไม่ทุกข์ไม่ใช่คนตายเวลานี้ทุกข์ก็ทุกข์กเพื่อ เพื่อการต่อสู้ความทุกข์ต่างไม่จะทุกเพื่อจะล่มจมที่ไหนกันงพอจะเกิดความพ้อถอยอ่อนเอมีทุกนี่ทุกเพทุกเพื่อชัยชนะทุกเพื่อรบล้างสิ่งที่จะทําให้เกิดทุกข์มากทิ่งุดคนนี้ให้หมดปลายจิตใจทําไมจะเห็นความทุกข์เหล่านี้ว่าเป็นของหนักหนาจนเกินความสามารถทั้งตนได้ท้อถอยต่อเสียบริเวณาจะแบกทุกข์ซึ่งเกิดเพระหน้าของที่ทำละมันไม่ได้นั้นเราทําไมเราจะสามารถแบกกองทุกข์เหล่านั้นได้ล่ะ เราต้องคิดเทียบเทียงเหตุผลเราเป็นนักปฏิบัติถ้าตีปัญญาหึงต้มแกงกินไม่ได้ต้องนาํามาใช้ในการด้านแก้ที่เด็ดปัญหาอาสวะเจริญจะเป็นความถูกต้องตามหลักธรรมที่พระองค์ท่านสอนไว้ทุกงวดทุกหนึ่งไม่มีแล้วนะองกรรมฐานนั่นจะมีกต่ชื่อนะแต่เนี้ประชาชนทั้งหลายก็หลั่งไหลามาลเคารพเครื่องไสายสกรลบูชาทาบุญให้ทายกับพระกรรมฐานสายท่านจันมั่น ภาคไหนๆก็มากันทั้งภาคทุกภาคแต่พื่ออย่างนิ่งภาคกลางมากเป็นประวัติการ์ก็ถูกแต่มันก็อดวิตกกังวลไม่ได้เราซึ่งได้คิดมาเป็นเวลานานแล้วแล้วประแน่ใจว่าจะไม่ผิดจากที่เราคิดไว้เหมือนกันเพราะฉะนั้นจึงได้ตอบจนหมาของเขาที่มาเมื่อสองสามวันนี้เขามาขอน้ำสี แว่เาเกี่ยวกับเรื่อ ง, องอมีความเคารพเรื่องสายพระปมุฐานฐานท่านนั่นมากแล้วเขาก็พูดถึงเร่องประชาชนทุกข้ามโดเฉพาะอย่างาายิ่ภาคกลางยังไหลมาบรรเทาคุโสณเคารพบูชาครูบาอาจารย์สว่างเป็นหน้าอนุชนาระเกินแลขาบอกพูดเข้าไปเราเพื่อให้พ่อที่เกิดเขาเวลาเป็นโดนเข้าใจสังเนี่ยมัน จะเสียท่าจึงต้องพะเดียงไปท่านศาสหร์เป็นข้อคิดเอาไว้การที่ประชาชนเข้มามาเคารพเรื่องเสรระธรรมาฐานสายท่านจันทันนั่นเราก็อโมโนธนาด้วยว่าแต่สิ่งที่เราอดคิดไม่ได้กังวลไม่ได้ก็คือหนักพระธรรมาฐานสายท่านจันทันนี้จะเป็นผู้ทรงคุณธรรมสามารถที่จะยังศรัทธาทั้งหลาย มีความเชี่อพลังใส่โด้รับผลประโยชน์ทั่วๆไปหรือทุกรายได้หรือไม่เพราะในโลกอันนี้มันมีทั้งของจริงของปลองนมมีทั้งดีทั้งชั่วสับสนกันไปถ้ามาถามชาติจันทร์มั่นเราก็แน่ใจว่าจะมีทั้งสิิงทั้งปลองทั้งดีทั้งชั่วกับคนกันไถาถูกมากเคารพเรื่องสายด้วยชัยวิจารณญาณยินิพพิจนาให้รอบคอบ พอสมควรก่อนแล้วจะเคารบเรื่องไสายจะพูดปฏิบัติอย่างไรนั้นเป็นความชอบธรรมเราก็พูดอย่างนี้ให้เขาได้ครอบคิดไว้ก่อนเวลาเป็นโดนเขามันจะไม่หน่อยหงายไปทั้งเป็นสลบทะเลยแล้วขี่ยะคนไปด้วยเพราะมันมีในโลกอย่นี้ธรรมะจริงกันธรระตรองก็มาด้วยกันเหลียงห้ามาถึงในทุก ว, วันจะเลยล้มเลิกกันไป แก่ไม่ตกอย่าลมเลิกกันไปเลยะยืนเขพูดถึงกันเขาทําเราทําขึ้นเขาก็ทําขึ้นนะ่ะเห็นห้าบาทมันปลองไม่ได้่มันปลอมนี้เรา ก, ก็มาฐานก็ไม่ใช่จะเป็นอัตเป็นธรรมทูวงผู้ท่านเป็นธรรมทั้งของเกินเราไม่ลบล้างเราเคารพองใสผู้ปฏิบัติด้วยความเป็นธรรมทั้งผู้ใหญ่ผู้น้อยนี้ เรื่องมีนั่นมีแต่มันเป็นพิเสษเรื่องสิ่งที่สงแสงปลอมๆที่จะแทรกมาด้วยกันนั่นแหะไม่ได้เท่านั้นเองเพิ่งได้ไขเงื่อนนหน่อยเขาทราบเอาไว้ในกระปุกเงนียภายนอกเนี่ยภายในในตัวของเราทุกคนทุกคนมันก็เป็นกรมรมฐานปลอมเยอะดี ความจริงมีนิดหน่อยเท่านั้นมีแต่ปลอมเป็มดเดยในกลมหนึ่งก็ลอง <c oughs> จัาเนะดินในกลมดับดับดับดับนู่นคิดไปเล่นขี่เล่นเยี่ยวอย่างนี้ตรงเล่นคนที่ไหนนั่นมันต อ, ง, องนั้นถามันจริงอยู่เรื่อยๆมันจริงเป็นส่วนมากมันก็จริงไปเรื่อยๆนะมันก็ดี การพูดต้องย้อนเข้ามาเป็นโอปันนัิโกพูดข้างนอกแล้วก็ต้องมาข้างในให้ทราบเองเพราะเราพูดเพื่อเราแล้วไม่ได้พูดเพื่อตำหนิผู้หนึ่งผู้ใดเราพูดสําหรับความจริงซึ่งควจรจะรับประโยชน์จากการพูดนี้ด้วยสำหรับผู้มาอบรมเพื่อเพื่อทอําทั้งหลายจึงต้องย้อนเข้ามาให้เป็นขี้เข้าใจกันจิตใจข้งเรานี่มันพร้อมอยู่เสมอคอยจะแฟงอย่างนะงนนในขณะที่เป็นธรรมนมีน้อย ขนาดที่อเป็นธรรมที่เป็นของปลอมที่เป็นความปลอมมีความคิดความปรุงต่างๆมันมากมันต้องพยายามชำระแก้ไขตรงตรงนี้ดีแล้วมันระวังจะมองไกลมองด้วยจิตนั่ะตัวเหยียดจิตรงนั้นไม่มีที่อื่นก็เหยดคือจิตต่อตลอดเวลาต่อเหตุเรื่องนั้นเรื่องนี้คิดอดีตอนาคตเกี่ยวกับดูเสียงถึงนนึกกล้องน้ำผาดดีชั่วต่างๆมันปรุงพัแครับ ทำให้เรายุ่งอย่เขาหลงตามไปงั้นน่ะคล้อยตามอมืมันหายไปกี่กลับกี่กันแล้วก็ไม่รู้แล้วมันก็มาอุ่นกินหนึ่งมอุ่นคิดขึ้นมาแล้วทําให้เกิดความดีใจเสีย ใ, ใจเป็นบ้าไปด้วยอย่างนั้นแล้วหลงคนมาย้อนยุคเด็กที่เคยเอาทางขันเห็นไหมมันเป็นอย่างนั้นขันนี้เป็นเครื่องมืองยุคเด็กมาลั่นเดิม พยายามที่ให้เป็นเครื่องมือของธรรมเอาให้ดี m, รดร indeed, จริงๆเครื่องกระทั่งมันทีือดมันตายไปจริงๆไม่มีสิ่งใดเหลือเลยทำอาการทั้งห้าขันทั้งห้านี่ก็เป็นเครื่องมือของธรรมล้วนถึงแม้จะนั้นมันก็ยังต้องดุกดิบดุกดทบขึ้นมานะอยู่นั้นนะมันก็ดุกดิบดุบดิบขึ้นมามันยูดเผยไม่ได้ขันท่านี้แต่พราะยางยิ่งฉังขานกับทั้งนยาทันยาละเอียดกว่าฉังขานมากเท่าที่ฉันจิต ตามหลักธรรมชาติทั้งมันอย่างโดยปกติอย่างทุกวันนี่ก็ดูสัญญานี่ก็เยียดมากยึ่งกว่สังขารคือมันซึมออกไปเหมือนกั บ, ก, บกระดาษซึนสังสขารมันแยกมันถึงเป็นเรื่องยากขึ้นแต่ที่สัญญาที่มันซึมออกไปเป็นภาพออกมาให้ให้จิตได้เห็นเป็นภาพออกมาแล้วจิตจะมีเรื่องต่อขึ้นมาด้วยด้วยสังขาร มันก็ละเียดมากทั้งๆที่มันก็ไม่มีเรื่องอะไรกาเริบนะเราพูดตามหลักปัจจุบันที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ผมพื่อนทั้หลายสั่งเราไม่ได้อวดเราต้องเกิดดูตามเรื่องของมันในปัจจุบันนี้เปนนนนะ็นอย่างนั้นมันอยู่เฉยไม่ได้หล่ะนอกจากจะทำํำระงับมันด้วย ก, การช่วยเวลามันจะต้องมีปรุงข้างใหม่ยเดี้ย เป็นการสังสมเกิดขึ้นมาก็ไม่ใช่มันควบคุมของมันเองหมายก็เหมือนกันเป็นมันเป็นอย่างละเอีย่างเอียดซะแบงนั่นปกติของมันเป็นทัางทั้งที่หมายขึ้นมาก็ดีเป็นมาอะไรก็ขึ้นมาอย่างไรก็ดีตรงที่ขึ้นมาเรื่องใดก็ดีก็ไม่มีใครไปยึดเป็นเจ้าของเลยใครไปยุ่งกับมันไปถือกับมาจิตกับมันมันกวบคุมของมันมันก็ดับของมันไปเรอยเืยธรรมชาดูหนกดดมัน มันลูกด็กตุกเด็กอยู่นั่นหรือเราให้มีกิเลสเขาเป็นตัวกลางเลยี่ฮะเป็นเจ้าของเราผลักดันมันออกมาหรมันเรื่องรามจะไปใหญ่ไปใหญ่ตลอดเวลาถ้ามันมีอะไรแล้วมันก็ดุดุ๊ยควอยู่นั่นจนกระทั้งว่ามันหมดความสืบต่อจะเมื่อไหร่แล้วมันถึงจะหมดตันท่านี่การมีหน้าเนี่ย นั่งดูนั่งเล่าเนั่งแต่นอนก็ตามไม่าเรื่องมันลุกไปตุ้มัุ้มมันทําไม่ได้เรื่องอะคือไม่มีใครไปเอาเรื่องของมันันฟุ้งตามเรื่องของมันเรเราก็รู้เรื่องมันอยู่แล้วนี่นนนไปเอาเรื่องมันอะไรเพราะมันต้อเป็นของมันอีูตามธรรมชาติเหมือนกับคุณถึงาะก็เหมือนกับขางกเหลืองขานี่ยังไม่มีความหมายอะไรขาอย่างนี้คงขา มันต้ดต้องปดดึตัวมันต้องปิดไปที่ไหนแล้วแต่ขางมันที่มันขาดมันต้องดต้ดดึเหมือนกับมียืนยานมีความรู้อะไรอย่างนั้นความจริงไม่มีอันมีทันก็เหมือนกันอาศัยก็จิตเป็นผู้ทรงอย่งนั้นจิตก็ไม่ได้ไปหลงกับมันเสียอย่างนี้มันมีมีแต่มันล้วนๆเปนสัญญาลัคนาเป็นเสียงระนาดโทถึงก็ได้ยินเนี่ยเพราะประสาส่วนนับนี้มีเพอายินทัมกระดับไปฟ้อมกระดับไปฟ้อมถ้ามีเจ้าของเข้าไปยึด มนมีจต่ต่างอันต่างเกิดต่างอันต่างจากพอกมันอสสยูอ่กลากษรรชาติเข้ามันทางลยนี่ถึงเวลา อ, ออกจากนั้นแล้วเรางับจริงหยุดใช้ขันกาหนดพักขันมันก็เงียบเต็มมันมีขันใดดิบขันใดดิ้นเื้อต่อความรู้ อืนน่าเมื่อเราแต่ความรู้ล้วนแล้วมันก็เหมือนกับความรู้เนี่ยมันครอบหมดทั้งโลกกระถางเลยสร้างตัวหนึ่งตัวหนึ่งว่าความรู้อันนี้จะแสดงเหมือนกับเสียงเป็นกลางวานครอบโลกกระถไปอีกเหมือนกันถ้าเราหาก ว, ว่าเราจะพูดถึงว่าเป็นเสียงนะเพราะความเด่นแห่งความรู้อันนั้นเองมันเป็นเหมือนกับว่าเป็นเสียงกลางวานครอบโลกกระถางไปแต่เราจะเทียบจะเรียกมาช้มาพูดอย่างนี้ มันก็น่าจะพูดได้แต่ว่าคือความรู้นั้นไม่มีอะไรเข้าไปแทรกไม่มีอะไเข้าไปเหยียบย่ําทำลายไม่มีอะไรเข้าไปรบกวนหรือแต่ความรู้ล้นล้วนอยู่ภายในตัวเองเป็นความรู้ในหลักธรรมชาติของตัวเองด้วยไม่ใช่ความรู้เรสริมต้นยอขึ้นมาแความรู้นั้นเป็นสิ่งที่ละเอียดอ่อนที่สุดพูดเทียบอะไรไม่ได้ทั้งๆที่รู้ไม่สงสยัยแต่จะเทียบอะไรเทียบไม่ได้พูดไม่ออกได้แต่ความรู้ที่สร้างตัวอยู่นั้นเหมือนกับ ครอบโลกธาตุเพราะคํามเด่นความรู้ไม่มีอะไรเด่นในโลกนี้เหมือนไม่มีโลกพุ่งงานอ่านมีแต่ความรู้นะจิตเด่นครอบโลกแต่จะจับเอาความรู้จุดของความรู้มันจับไม่ได้ไม่แล้วก็ไม่สนใจจะจับสนใจจับแต่หาอะไรไม่มีก็ทราบมันไม่มีเป็นจุดเป็นต่อมที่ไหนนั่นก็ไม่หนึ่งนั่นมีแต่ความรู้ที่ประดิษฐ์ไม่ได้ฉะนั้น รู้ก็เป็นรูปเป็นธรรมชาของตัวเองไม่เชื่อไมนเป็นความรู้ที่จะหิวจะห้อยจะต้องการอะไรอะไรเข้ามาเพิ่มมาเติมหรืออะไรจะตัดอะไรออกมันก็ไม่มีมีเปรับธรรมชาติเั่านั้นยังเป็นเหมือนกับว่าครอบหมดทั้งโลกกถางทันทั้งจิตจิตนั่นก็เวลานั้นมันเหมือนโลกกระโลกกระถางไม่มีนะมีแต่ความรู้นเด่นนั่นะแหละจนกลายเป็นเรื่องที่ว่าความรู้นี่มันครอบโลกกระถางอีกเลยมันพูดอพูดอะไรกัอนอยมันมัน มันยังไงฟังกันไดะไหมถ้าเราความรู้นี่มันครอบโลกธาสุถูกนะหรือว่ามีแต่ความรู้เท่านั้นโลกที่ไม่มีเลยไม่ไม่เพราะความรู้นี่ไม่ไปเกี่ยวข้องมีแต่ความรู้ของตัวเองโดยหลักธรรมชาติไม่หลังตึ่งพีนอาษาสิ่งใดเลยเป็นความรู้ในหลักธรรมาสตรตัวเองแสดงอยู่เท่านั้นมันก็เหมือนกับว่ามีแต่ความรู้เท่านั้นในโลกนี้ไม่มีไม่มีส ah. ิ่งใดเลยเพราะผู้นี้ไม่ไปเกี่ยวข้องนั่น ออมาสูุ่มออกมายา่่จกระยา่านั่นเป็นนั่นนี่เป็นนี่ว่าตาจะเป็นตียาของจิตหนึ่งมาอะไรก็ดับพร้อมดับพร้อมดับพร้อมใช้ทุกระยะระยะแล้วมไม่มีอะไรมาเป็นสื่อเป็นสายเป็นอให้จิสืสต่อเนื่องมันให้เกิดสมุทัยให้เกิดความทุกข์ความดร้อนอ ะ, อะไรที่มาก็ดับไปดับไปดับไปแต่ก็ใชนไปอยู่นั่นเอาเลยพูดคนเดียวเหมือนมาโกหกเพื่อน มันถึงขั้นที่รู้แล้วมันจิตไม่อยู่ด้วยกันทั้งนั้นแหละถามความรู้จริงๆนยังวันไหนก็วันนั้นไม่มีาเปลี่ยนแปลงวันนี้ทำไมจิตเป็นนี้หรือวันนี้ทำไมจิตเป็นนี้มันไม่เราจริตช า, ชาบดิชนี้แต่ตัวเรื่องที่เหลสทั้งนั้นทายว่าจิตทำไมเป็นนี้ทำไมจิตทำไเป็นนี้เนีนี่ตัเรื่องกิเลสตัวมายา ของกิเลสทั้งมวนไม่ว่าส่วนอยากส่วนกลางของส่วนละเอียดมันเป็นมาย่ามันข้างนา้นเพราะนั้นมันผ่านไปแนละ้วมันก็มมีอะไรมาหลอกวันไหนก็มีแต่มือ่อยกระเจงกันั้นเองถ้านั้นปีถ้านี้ปีหรือว่างไปตามเราธรรมชาติไม่สนใจกับอะไรนั้นอจิตไม่เคยไปสนใจเจ็บเจอด้วยเรื่องปีเื่อเดือนวันขึ้นอะไร เห็นั้มันดูดตาอย่างนี้่นีมืดกแจงมื่จงเห็นแต่คาดโดยลาองเราอย่างนี้มืดจะแจ้งอย่างนี้ก็มืดนึ่แล้ววันพุ่นี้สมมติมันมาวันพุ่งนี้มันก็แ้งแจ้งเพราอาทิตย์ขึ้นตาเราก็มีน่าขํา้เองหลงอะไรแผ่นดินมิไปที่ไหนก็เหยียบดิแผ่นดินเปหลงยินอะไรน้ำก็อยู่ในท่อนก็เต็มอยู่แล้วหลงมันอะไรลมพายเห็นเหงื หลมอะไรนั่นหายเห็นมีไครับหลงอะไรล้มก็เห็นอยู่แล้วลมหายใจของหายใจฟู้ฝ้าฟุ้งฝันหลงไาอะไรว่าเป็นตัดเป็นบุคคลเป็นเขาเป็นเราเป็นหญิงเป็นขาหลงไปอะไรเกิด็จปทมาปินความจริงของธรรมไปทำไมปินไปมันก็เดี๋ยวความเดี๋ยวหนามเลยที่ปินความจริงของธรรมเห็นตามความจริงนั้นว่าธาตุต่อธาตุมันไะจับลงในใจอะไรก็มันตามความจริงที่ท่านบรรดาบไว้เป็นความจริง เห็นตามกันนี่ว่าปาัญหาเอาให้กิงให้จังสูงให้ได้กิเลสตัวภัยภัยของจิตคือกิเลสความคิดความปรุงทั้งหลายเป็นภั ย, เ ป, ภยเป็นภัยเพราะกิเลสพาให้คิดให้ปรุงสำคัญมันหมายถ้าหยลดไม่มีเสียคิดก็เชื่อรู้จกักเวลาแล้วับดับมันได้ เอาม่ใช้การใช้งานแต่ใช้เวลาแต่ละน้ำภมันก็ดับไปน้าพมันไม่ใช่มันก็เหมือนเครื่องมือก็หยุดงานแล้วก็เครื่องมือก็เคลื่นไหวเสียเก็บไว้เสียในที่ควรแล้วแต่ใช้เอามาใช้ขันห <4: 5. S 2> ้านเหมื่อกันเวลาจะพักผ่อนหลับนอนก็หยุดเสียแล้เข้าผิตมาที่ภาวนาพักเสียที่ความปรุงยิ่งเยือกวุ่นวายต่างๆพักไปเสียเนื้อแต่ความรู้ ประมนี้เท่นันถึงการมันจะแตกระดับแล้วก็รู้แล้วพิจารณาไว้หมดแล้วมันสัตจะตื่นไปไหนก็พิจารณาก็รู้ก็รู้ตามความจริงความตายคือความสลายออกไปความผสมผสานนี้มันก็คือความจริงซึ่งได้พิจารณาไว้แล้วไหนก็นจะตื่นไปไหนไมนอยากตายเลยไม่อยากอยู่เหรอนี่ไมันจะตายความอยากอยู่เหมันการเดียวกันอยู่อะไรเมื่อถึงการนั้นมันจะไปแล้วฝืนมันทำมา อันนี้ทําให้เราย้อนไปถึงต้นพระพุทธเจ้าว่าจอมปราบแล้วยังไม่เล้วงั้นจอมปราบในแงยต่างๆเึ่งพระฉายาบุตรมาทุนลาเข้าสู่นิพพาน <c oughs> ถ้าจะห้ามพระฉายาบุตรจะด่วนนิพพานช่วยเราสาคตคําประโยชน์ให้แก่โลกไปชั่วการศึกก่อนนี้ก็จะเป็นการส่งเสริม <c oughs> วัฏจาก หรือไม่อยากให้ตายซึ่งความตายมันถึงการแล้วที่ควรจะตายนั่นก็ฝืนมันอีกเนี่ยเออตายเสียเหล่านี่มันก็เป็นอีกอันหนึ่งอีกเหมือนกับช้าเติมความตายพูดแล้วนั่โอ้หัหน้าพังมากเป็นความดีเหมือนจริงเวลาพระองค์รับสั่งก็ในแรแต่การอังควรของเธอนั้นเหมาะที่สุดเลย มอบให้และประกันควรหมายท่ามอบให้ทติธรรมนาตามหลักที่ทรงที่จะนาไว้เรียบร้อยแล้วนั้นไม่คานไปทวนไปสายบุตรอย่างนี้ก็ผิดคานความจริงไปนะสายบตุตรมันยังไม่ถึงการไปบอกไปทําไมแต่ไปต้องไปอยู่ก็อยู่แ ล, แ ล, ะ, และแลการอกันควรของเธอเธอแต่ความที่เธอจะไปจากที่นี่เธอจะไปใที่นี่พานให้ตาแดงทําให้ ปกน้องๆทั้งหลายของเธอฟั้งแะก่อนมีในพระเจ้าตะวันนะนั่นพระพุทธเจ้าคนนั้นพระองค์ทรงแย้มบอกเพียงเท่านั้นว่าให้แสดงเป็มเม็เป็นหน่วยเต็มตที่เต็มฐามในเวลาสุทาดท้ายมียิฐาพระดันทภาพขนาไหนอ้าแสดงเป็นที่ทั้งทางด้านอ่านด้านทำกรรมให้อุปมาสั่งสอนและอีกที่ปฏิหาร แ, แสดงไม่สองอย่างอีกที่ปฏิหารก็แสดง ที่ปฏิหาริยะก็แสดงอนุสาสนีปฏิหาริยะก็สะแสดงเต็มที่เนาะกับพิมลาไปแล้วทรงเปิดโอกาสด้วยว่าพระวสุสามเณรในวัดนี้ยากจะตามส่งไปไตยบุตรพี่ชายของพวกเธอทั้งหลายก็ให้ไปได้ตามมัธยสายองค์ใดอยากต้องการไปก็ให้ไปได้ตามเดียสายพระนินลังหลายก็ะารตั้งห้าร้ สถานที่นิพพานคือห้องประสูติห้องเกิดนั่นแหะท่านประธานนิพพานที่น่ะ น, นี่เราก็จะพูดไปถึงโน้นแต่จิตต้องทานเราพูดตรงเราหมายตรงที่ว่เาเวลาภาษาอื่นมาคุณลาเขาถึงนิพพานเขาไม่ทรงคัดค้านว่าให้รอจะ ก, ก่อนเขาไม่ทรงเพรา ะ, ะเป็นการผม่งโสมาตาัตเจ นัดขัดความติงอุทานเสียงก็เหมือนกับตามเติมอะไรไปเพิ่งขัดกับความริงนี่เงจึงมอบให้การเวลาของขังตามแต่การเวลาของเธอเธอเนี่ยการอันควรนั่นฟังดิตามประการอันควนั้นเิดเธิเนี่ยเวลาพระมคคัลลามาตุลาเข้าสุนิพานธก็รู้ว่ามันห่างกันเกิบันเทานั้นผมจาถ้าไม่ผิดเนาะมันห่างกันเิบันมาตุลาไม่ผิดก็แบบเดียวันนีก ทรงแสดงแบบเดียวกันแล้วก็เปิดประตูวัชรสวรรค์โล่งไว้เลยมีคิพิชาของเธอทั้งหลายตระบ อ, อกอยู่อย่างนั้นแหละแล้วก็ให้พรให้หมุขนาสะเดลทำให้น้องๆทั้งหลายฟังในวาระศิลท้ามีกระมุขนาประลาดแหลมผมมาเพิ่มเยอะมีแสดงพระฤาษีจเปิดโอกาสทรงเปิดโอกาสในเรื่องทีงทง่นี่ที่างในเวลานี้ ก็แสดงทั้งอธิปฏิหานียะและอนุสาจะมีปฏิหารียะคือการแนะนำคำสอนให้ถึนอาจถึงรามให้พอใจตามหลักความจริงทั้งหลายและสแสดงอภิปฏจิหารเพราะเหมนเดินฟ้าไงฮึฮึขโมกขันลาฮึฮึเหะขึ้นไปขวดพะนั่นําตาแล้วลงมาแล้วแล้วหาะขึ้นไปแล้วลงมาแสดงฐาแล้วาหาะขึ้นไป เอาเต้มที่ น, นี่ไป็เวลาจะเตยนพพางก็ตะเตยนี้ทางที่สิโซโลข้าเลอันดีดีนี่ก็ตรงเปิดประตูพระเจ้นนตเตเาตากเลยถ้ า, ถาอี่ทั้งใไหนที่ต้องการไปส่งพิสัยต้องไปท้งหนายก็ให้ไปตามมัตยอาศัยเปิดโอกาสให้เลย มันขั้นพุตธการมรรคผลนิพพานเกื่อนุอยู่กับผู้ปฏิบัติทั้งหลายมีแต่ผู้ทรงมรรคทรงผลเป็นจํำนวนมากแล้วมาตกมาของพวกเรามีแต่ผู้ทรงความจอมปลอมทรงแต่ชื่อของที่งหรือชื่อของอักของธรรมตัวจริงของอักของธรรมคือถึงก็ดีสมาถึก็ดีปัญญาก็ดีวิมุตติเด่นก็ดีมันไม่มีมันจะไม่มี้ ไทยจะเป็นฟูฟื้อฟูทำของวาชาที่เป็นของจินอยู่แล้วเป็นเม็ดเป็นหน่อยเป็นหลักมาทีิมาเหมาะสม อ, อยู่เสมอในการที่จะเปิดเผยพระพุทธานขึ้นมาและตามความคิดซึ่งเป็นข้าศิกขมงพระพุธานให้ที่หน้าคู่หาปาระจักษ์ใจถ้าไม่ใช่พวปฏิบัตินี้จะเป็นไทยให้สนใจในตัวเองให้ตั้งปัญหาถามตัวเองเสมออย่าให้ยห้ เ, หเสยโ ง, ง่ อุบาสิกาแงเตียงแหลังเนี่ยหลายสารหลายผมมันนเข้าใจขึ้นมันาสลุกเจอขึ้นมาอุบาสิกาปัญญาเป็นอย่างนั้นในเบื้องต้นต้องใช้อย่างนั้นซะก่อนต่อไปจนกระทั่งเป็นาาปนากเป็นทางไปแลนะ้วมันมีทางเดนะินแล้วที่นี้กาค่อยไปเองเหมือนติ้วติ้วติ้วเรื่อยอยง ท, ที่เคยพูดให้ฟังหลายครั้งแล้วหมแล้วเปีนขนาะต้องล้างเอาไว้ไม่ล้างไม่ได้มันเลยเถิดไมอุทจาร ทางยอบนบนนั้นผู้อธิบายอันนี้เขาทำเราไม่ได้ยโทษนะผู้ตรวจการเรืองตนีลนะจารเร่กรรมพทำไม่คิดหมือนกันเพราะมันสอแสดงหนังสือนี้ต้องสอแสดงจากผู้ตรวจกา่อหอนกันผู้จกนี้จะเป็นคนประเภทใดเป็นคนที่ีกิเลสหรือไม่มีกิเลสตรวการ่อธรรมขพระธ้าเนีเชอุทจักความเพ้งเข้านำพังไป เป็นลักษณะแบบทังโลกเลยมีม่วันตั้งห้าอุทจจะอุทจจามีทั่วไปสหรับสามัญคนเราความรุ่งสรืองนำคัญอุทจจามีความฟุ้งหรือความเคินเทินต่อการพิจารณาหนัอุทาจามือ คือความเพิ่มต่อการค้นคว้าที่ไมีพิจนารณาโดยทางปัญญาจนเลยเถิดปุ๋นหนึง่งอะที่เรียกว่าเป็นสังโยชน์เครื่องข้องอันหนึ่งมามะกับหม า, หายทุนถือนั่นแหละถือใจอวิชชาคือความรู้ที่ยนันเด่นอยู่ภายในใจ มันก็ไม่มีครอตืดนยอดพอเป็นแง่เรื่องกันที่อุทจจ์มันสร้างลําคาญเปเหมือนแบบโลกทั้งสามเลเอีกแตเป็นนั่งไม่ได้แต่ลําคานบ้างซึ่งเป็นคู่กัออนกับความเทินในงานทํางานไม่อยู่ไม่ถอยก็ก็มีบ้างท่ากับเรืเข้ามาเพราะงานอันนี้ว่าเราไม่มีที่ค้างกับไม่ค้าง อุทาจจะคือจิตทุ่งเพลินต่องานจำเนินเต๋าอุทาจะหมายถึงว่าความพุ่งสร้างําพางแล้วก็แปลออกมาอีกไขความหมายว่าความเพลินใน ง, งานขึ้นต้นเองในการคิดค้นต่างๆแล้วประกอบด้วยความอ่อนเพลียทําให้เกิดความําคานได้ยอมรับทันทีที่ว่าความพุ่งสร้างําพานไปเลยมันกลายเป็นเรื่องนิวรัทั้งหนะ้ามันเสียซึ่งศิล ในขั้นของสามัญถึงไปทั่วไปอันนี้ขั้นอริยภูมินี่ขั้นอรหัตมรรมนี่ออรหัตมรรมกาลังเดินตามเนี่ยเมื่ออหรหัตธรรมสมบูรณ์เต็มที่แล้วอรหัตผลก็ขณะของจิตที่จะตัดภพตัดชาติจะแสดงถึงขึง้นมาขาดสะบั้นไปหมดเลยะขณะที่ขาดสะบั้นนั่ียว่ามักยิ่งถึงผลอันนั้นยังไม่จัดว่าเป็นธรรมสมบูรณ์จนกระทั่งขณะ อันนั้นได้เสร็จสิ้นลงไปแล้วยุติโดยประการทั้งปวงไม่มีเงื่อนใดต่อซึ่งกันและกันแล้วเหมือนกับเราก้าวเท้าขึ้นไปถ้าข้าข้างหนึ่งอยู่บันไดเท้าข้างหนึ่งเหยียบบนพื้นบ้านมือพื้นก็ติดแล้วนั้นอย่างนี้เรียกว่ามรรคผลนี้ยืนถึงกันพอก้าวเท้าหลังไปเหยียบพื้นด้วยกันทั้งสองเท้าแล้วเมื่อไหร่นั่นเนี่ยเรียกว่าถึงผลอันสมบูรณ์แล้วท่านมันคือนิพานตรงนั้นเน่ย ในขณะที่กำลังก้าวอยู่นี่เป็นกิรียาก้าวจากบันไดท่านสุดท้ายนี้เท้าที่สองเนี่ยก้าวไปหาเท้าที่หนึ่งึไปถึงพื้นแล้วพอเหยียบปุ๊บลงถึงพื้นนั้นก็อันเป็นงวลา ย, ยืดเต่ถึงผลเต็มผลขนาดที่กำลังก้าวไปมี่ ม, มีอำมากทีู่่ถึงผลมนลึ่ท่านเดียวจะได้มากค่ิีตร า, า, าพูดจำ หลักปริญัตนะขณะที่จิตทํา ง, งานพุบมากระผลวึ่งถึงการก็ามายถึงว่าก้าวแรกนี่แหละคือคือก้าวแรกถึงปุ้นแล้วอก้าวขาข้างหนึ่งถึงปุ้นแล้วก้าวที่สองยปุ๊บไปหมุ่มเนื้อพอพอถึงนั้นโดยสมมุรณแล้วก็การก้าเรี่ย ว, ว่ากระผมเหมือนกันนั่นแหะคือวิพญาณหนึ่งอยู่ตรงนั้น ท่านท่าเลยพูดมันนว่าสําเร็จอาหารตะผลแล้วทําต้องปูนิีพันหนึ่งแล้วถึงจะว่านิพพานหนึ่งก็ไม่ขาดพระวิญญาณท่ทร ง, ง, ง, งแจงไปให้ทราบไมงั้นจะเป็นพี่พัดพานจากสาวกทําไมธรรมชาติ อ, อันหนึ่งพระองค์ถึงไม่สแสดงไว้ที่เหลือจากนี้ไปแล้วนั่นคืออะไรพระ อ, องค์มันเห็นต้องสแสดงไว้เพื่อความข้อมูลแห่งความเป็นศาสดาจึงไว้ด้วดในทุกแง่ทุกมุมต้องบอกมากทีก่สุดคือทีพัน มากกับผลมันเป็นคู่กันคู่กันคู่กันนี่อรหัต R, ธรรมอรหัตผลนีนเป็นคู่กันมันเป็นทำคู่อยู่นี่พอหยุดจากนั้นแล้วก็อรหัตผลก็โดยสมบูรณ์เต็มที่หรือว่าเป็นถึงมิพานหนึ่งโดยสมบูรณ์ก็ได้ถึงมิพานหนึ่งโดยสมบูรณ์แต่ท่านก็เรียกท่านเรียกอรหัตผลแย่หวานไม่แย่แต่ลงกันธรรมาชาตินั้นถึงนั้นแล้วแย่งกันไม่ได้จะว่ากันก็ว่าไปเถอะจากธรรมาชาติถึงความจริงเต็มภูมิแล้ว ว่าท่านมีแต่พระทรงมากทรงผลทางบุธกุศลงร า, านทรงจะความขีดเกียอ่อนแอได้หรือทรงผลผลมังมังคุดมังตกอย่างนั้นผลน้อยหนาน้อยเหนื่อนั่นได้เลยอาตม่าไม่มา